ธรรมวิภาคนักธรรมชันตรีหมวดที่ห้าโดยพระมหาเัระตติตาสีโลเจริญสุขท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชันตรีขึ้นต้นในหมวดที่สามเรียกว่าติกะว่าได้เรื่องรักณะสามประการก็มีห น, นึน่งพุทธรัตนะ รัตนะคือพระพุทธเจ้าสองธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมสามสำครัตนะรัตนะคือพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระรัตน์ไตรอ่าพระรัตน์ไตรพูดง่ายๆก็คือว่าแก้วสามประการนะแก้วสามประการใครคือพระพุทธใครคือพระธรรมใครคือพระสงฆ์อ่า พระพุทธเจ้าก็คือท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่ให้ขอมียามคําสั้นๆความหมายของคําว่าพระพุทธเจ้าส่วนธรร ม, มรัตนะนั้นคืออะไรพระธรรมพระวินัยที่เป็นคําสั่งสอนของท่านชื่อว่าพระธรรมหรือพูดง่ายๆว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมสามที่ชื่อว่าสังฆรัตนะนั้นหมายความว่ามูชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยชื่อว่าพระสงฆ์นี่ความหมายของรัตนทั้งสามนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจทีนี้ก็อยากจะทวนต้นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวกับคาว่า รัตนะอ่าให้พิเศษออกไปอีกคําว่ารัตนะซึ่งถ้าเป็นภาษาพระเขาภาษาบาลีเรียกว่ารัตนะอตัวรอตรตแล้วก็ตุวนอว่ารัตน์แค่คําว่ารตน์นี้มันก็มีความหมายนะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้กันนะไม่ค่อยรู้กันฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นนักวนว่าก็ย่อมจะพอมีความรู้ในทางนี้บ้างว่าคาว่า รัตนนั้นมีความหมายอย่างไรคำว่าระรเรือนั้นหมายมาจากคำว่าระมิตรธรรมแปลว่าอันบุคคลพึงยินดีหรือควรยินดีหมายความว่าคนทุกคนนั้นควรจะพอใจควรจะดีใจที่ได้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกคนทุกคนควรจะยินดี ที่ได้กราบพระพุทธได้กราบพระธรรมได้กราบพระสงฆ์คนทุกคนพึงยินดีที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเจ้าของศาสนาแล้วก็เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านในชื่อว่าพระธรรมและหมู่ชนที่ได้ ป, ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านก็ได้ชื่อว่าพระสงฆ์นั้นเราควรยินดีควรจะปลื้มใจควรดีใจนี่จึงเป็นความหมายของตัวระมาจากคาว่า ระมิตจักรังเฮ้ยคำว่าตามาจากคำว่าตาเรติอคำว่าตาเรติคำว่าตาเรตินี่ก็แปลไทยๆก็คือว่านำสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัตตสงสารนำสัตว์ให้ข้ามพ้นจากอบายภูมิอจากอบายภูมิคือหมายความว่าไอ้คำว่าสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าประชาชน ประชาชนว่าคนที่นับถือพราชนะใจด้วยศรัทธาความเชื่อปาษสาทความเลื่อมใสด้วยจริงใจแล้วแน่นอนที่สุดอาจสามารถนำบุคคล น, นั้นให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารได้ไอ้คำว่าวัฏฏสงสารก็คือว่าไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดนะไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดเรียกว่าพ้นไปสัยทีนะ คำว่าเราจะพ้นจากวัตฏสงสารได้นั้นก็เริ่มตั้งแต่เป็นพระอายะบุคคลในขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเช่นว่าได้โวสดาบวัสดาบันไดสัจธาคามีได้พระอนาคามีจนกระทั่งที่สุดถึงพระอรหรันต์พวกนี้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วนะไม่มาอีกแล้วเพราะว่า เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นหรือว่าการเกิดบ่อยๆนั้นมันเป็นทุกข์นะเป็นเป็นทุกข์เหลือเกินอันนี้มันก็แปลกท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเราทุกวันนี้ไม่กลัวการเกิดนะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นกลัวการเกิดท่านจึงไม่จัดบอกว่าทุกขาชาสิกุนนันปุนังการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์การเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุ ก, นะ ก, กข์ อันนี้พระพุทธองค์ก็ได้เคยเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมาเมา่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในบทหนึ่งว่าอเ น, นกชาติสังสารังสันถาวิสัง น, นิพพิสังขะ ก, การังเขเวสันโตเป็นต้นท่านบอกว่าท่านในต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักกี่ชาติะเป็นปนแสนชาติว่างั้นเถอะไอตัวที่ ทำให้เราต้องเวียนไหวส า, ายเกิดนั้นเราแสวงหาหรือเกิดที่จะต้องทําลายมันให้ได้ค่ะเวสันโตอคหะาการังคเวสันโตอแสวงหาไอ้ตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติคืออะไรอ๋อบัตรนี้เรามารู้แล้วก็คือไอ้ตัวตัณหาไอ้ตัวอวิชชาไอ้ตัวตัณหานี่แหละมันตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติบัตรนี้เราทําลายได้แล้วคายะมัชฌาเนี่ยถึงทับแล้วถึงความสิ้นไปแล้ว หมดกิเลสหมดตัณหาแล้วนี่ทีนี้ก็ไม่ต้องเกิดกันอีกแล้วนะสบายแต่ว่าเราทุกคนนี้รู้สึกว่ายังปรารถนาการเกิดกันนะสังเกตดูสิเวลาไปไหว้พระกราบพระก็ บ, บอกเจ้าพระคุณ้ณเกิดชาติใดแสนใดขอให้รำ่ำรวยขอให้มั่งมีสีสุกนี่นี่แสดงว่าอยากเกิดอยู่นะแล้วก็ไหว้พระกราบพระด้วยความโลภนะอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องไหว้พระกราบพระด้วยความหลง ยังปราถนาเป็นน้อนเป็นนี่อยู่ยังใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะไไดฉะนั้นคนที่มีความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์โดยจริงๆแล้วมีความเลื่อมใสจริงๆแล้วและปฏิบัติถูกต้องตามตานองคลองธรรมแน่นอนที่สุดก็ย่อมสามารถที่จะข้ามพ้นจากวัฏสงสารได้จะอาจสามารถที่จะทําให้ได้มรรคผลนิพพานได้ให้ข้ามพ้นจากอบายภูมิได้อะไรคืออบายภูมิ เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอาบายภูมินั้นมันมีสภูมิแห่งความเสื่อมแห่งความไม่สบายภูมิแห่งความเดือดร้อนภูมิแห่งความหายยนะได้แก่อะไรก็คือพวกเปรตนะเปรตอสุรกายนรกดีรฉานนี่แหละเป็นอาบายภูมิพูดง่ายๆก็คือทุกขตินั่นเองนะไปเกิดในทุกขติ คนเมื่อไปเกิดในทุกขติก็คือเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นจัตติริยฐานทุกประเภทนี่ยเกิดในทุกขติทั้งนั้นเกิดเป็นจัตนมรรค ก, ก็เป็นอบายภูมิเป็นทุกขติเกิดเป็นเปตเป็นอสุรกายก็เกิดในทุกขติก็คือว่าเกิดในทางที่ชั่วเกิดในทางที่ต่ําำแต่ว่าคนเมื่อนับถืออพระพุทธธรรมพรงฆ์โดยถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะข้ามพ้นจากอมายาภูมิได้นี่ คำว่าตากมาจากคาว่าตาเรติกส่วนคําว่าณนอะ่าในตัวสุดท้ายวานะมาจากคําว่าเนติเนติมีความหมายว่าย่อมนําสัตว์ไปสู่ก็ไปสู่กระแสะแห่งพระนิพพานย่อมนำสัตว์ไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานนี่เห็นไหมก็หมายความว่าคนที่ มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์โดยที่มีจิตใจมั่นคงอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถจะทำผู้นั้นให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็สามารถจะนําผู้นั้นให้ข้ามฝั่งข้ามฝั่งอไอคาว่าฝั่งนี้ก็หมายถึงว่าวัฏะสงสารข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานได้นี่ความหมายขอ ง, ของคาว่ารัตนะเพียง คำเดียวสามพยางมันก็มีความหมายมากแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ทราบอันนี้มันเป็นกันอย่างนี้นะทุกวันนี้ให้สังเกตดูสิว่าเรามาไหว้พระกราบพระกันเนี่ยเรายังไหว้พระกราบพระไม่เต็นเลยนะเราไหว้พระกราบพระกันไม่เต็มฉะนั้นจึงมีอนักปราชญ์ท่านยึงพูดไว้ว่าไหว้พระทำผิดก็ไปติดใบลานไหว้พระพุทธผิด ไหว้พระกุศลผิดก็ไปติดพระทองคําไหว้พระธรรมผิดก็ไปติดใบลานนี่ไหว้พระสงฆ์ผิดก็ไปติดลูกหลานอ่าหรืออีกคนหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะพูดบอกว่าไหว้พระธรรมผิดก็ไปติดใบลานน่ะไหว้พระอ่าสงฆ์ผิดก็ไปติดอ่าไหว้พระกุศลผิดก็ไปติดพระทองคำอ่า แล้วก็ไหว้ไหว้พระสงฆ์ผิดก็ไปติดเอาสงสมมตินี่ไปติดเอาสงสมมติก็คือไม่รู้ว่าไหว้พระพุธคือไหวอย่างไงไหว้พระธรรมคือไหวอย่างไงไหว้พระสงฆ์คือไหวอย่างไอการที่เราไหว้พระพุธนั้นทุกครั้งที่เรากระดาบไปนั้นเราจะต้องนึกถึงพระคุณของท่านนไหว้โดยพระคุณของท่านพระคุณของท่านนั้นโดยย่อก็มีสคืนหนึ่งพระปัญญาที่คุณสอง พระวิสุทธิคุณสามพระมหากรุณาธิคุณไหว้จะช้ากราบไปแล้วก็นึกถึงพระคุณของท่านด้วยจิตใจที่น้อมจิตใจไปให้ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสนี่ไหว้พระธรรมก็คือว่าด้วยการศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่ตามพระวินัยที่พระองค์ได้ตัดสั่งสอนไวอ้อาอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าไหว้พระธรรมถูก ไหว้พระสงค์นั้นคําว่าไหว้พระสงฆ์ในที่ระบอกว่าสังฆสันนักฉามิขอถึงซึ่งพระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งเพลิดเพลินั้นไม่ได้หมายถึงว่าพระสงค์อย่างที่เห็นทุกวันนี้อันนี้เป็นสมุติดสงฆ์พระสงค์ที่เรากล่าบไวหสสบไ ว, นวน้นั้นหมายถึงพระอริยสงฆ์ใช่สงฆ์สมมุตินี้เราก็กราบไหว้แต่ในคําที่บอกว่าสังฆสันนักฉามินั้นหมายถึงพระอริยสงฆ์อพระอริยสงฆ์นี้หมายถึงตั้งแต่โสดา ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระสกท า, า, ามีอ่าพระสกท า, ามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ฉะนั้นถ้าเรากลาบไหวอย่างนี้ไม่เชื่อเราไหว้ถูกต้องไหวพระรัตนใจถูกแต่ทุกวันนี้เราไหว้กันไม่ถูกนะขอประทานทษเถอะบางคนมากราบพระแล้วก็หมอบไปแล้วก็กลับแบบแบบแบบแบสามครั้งเน่ยอย่างนี้มันไม่ถูก ดูแล้วมันไม่สวยไม่งานนะดูแล้วไม่เหมาะสมกับความเป็นชาวพุทธดูแล้วไม่เหมาะสมกับความเป็นชาววัดอย่างนี้ไปบอกเขาบอกว่าเป็นชาววัดเป็นคนนับถือว่าพุทธศาสนาไอ้แค่กราบพระยังทําไม่ถูกอย่างนี้น่าอายเขาเหลือเกินนะอายเขามากอาในข้อนี้ซึ่งอาตมาก็ได้เคยชีย้แจงให้กับท่นานสาธุชนชาววัดอ่าให้รู้ได้ถูกต้องว่าการไหวพระพุทธไหวอย่างไร ไหวกระทาว่าอย่างไรไหวประสงค์ว่าอย่างไรแม้กระทั่งไปสอนตำหนักเรียนต่างๆก็พยายามเน้นว่าเราควรจะทําให้ถูกแม้จะเป็นแม้จะมีใครจะพูดบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องกราบต้องไหวอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเรานับถือด้วยใจก็จริงอยู่แต่คนก็มีใจเป็นสัมมาทิฏฐิคิดถูกต้องแล้วทางกายก็ออกมาถูกต้องทางวาจาก็ทําถูกต้องฉะนั้นจะมาบอกว่า เราเคารพด้วยใจกราบด้วยใจไม่ได้เราจะต้องให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอ่าจุด น, นี้จึงจะถูกต้องนี่เรามาพูดถึงแค่คําว่ารัตนะนะคําว่ารัตน์ไก่ทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจกันต่อไปว่าอ่าพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้านะรัตนะคือพระพุทธเจ้าก็คือหมายถึงว่าท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤตชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นคือไก่ นะพระพุทธเจ้านั้นคือใครคําว่าพุท ธ, ธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ทีนะ่พวกเราเป็นชาวพุทธนี่ยเราต้องรู้นะต้องรู้ถ้าหากว่าเราชาวพุทธเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครอันนี้ก็หน้าละอายแก่ใจหน้าละอายในฐานะที่ว่าตนเองนั้นนับถือพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ลึกนะพระพุทธเจ้านั้น ถ้าเราจะกล่าวไปถึงพรนามเดิมของท่านก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านเป็นกษัตริย์โดยชาติอชาติของท่านเป็นกษัตริย์พูดว่างั้นเถอะว่าเขาเรียกว่าชาติวุฒินะผู้เจริญโดยชาติผู้ด ง, ง่ายว่าเป็นลูกกษัตริย์เป็นชาวศักกยะประสูติเมื่อก่อนพุทธศักราปช80ปี นะในหมู่ชนอรารยกาชาตในช น, นบทกลางที่เรียกว่ามัชชินะประเทศหรือมัธยมประเทศนะมีพระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุธโธธนะได้ครองเมืองกบิลขัตมีพระราชมารดาพระนามว่าพระนางสิริมหามายาฉะนั้นปรากฏว่าเมื่อเจ้าชายสิร ฐ, ฐาได้เจริญวัย อพระองค์ก็อได้มีพระชายาหรือพระมเหสีสทรงพระนามว่าพระนางยะโสธราหรือพระนางพิมพพานะฉะนั้นก็ปรากฏว่าเจ้าชายจิทธัตถานีได้รับการภูมิฟักธนุบํารุงถนอมความเกลี้ยงเป็นอย่างดีในเมื่ออยู่ในยาวัยเรียกว่าปรารถนาอะไรต้องการอะไรก็ได้ทางนั้นนะได้ทางนั้นเลยเมื่อตอนกระสูตดได้สามวัน นี่ยประโซดได้สามวันก็มีพรารมกาละเทวินดาบทหรืออธิตะดาบทนั้นก็เข้าเฝ้ามาเข้าเยี่ยมปรากฏว่าการเข้าเฝ้าเข้าเยี่ยมของอพรารมนั้นก็มีอาการแปลกๆคือเห็นทีแรกแล้วก็อหัวเราะอดีใจแต่ว่าพออีกสักครู่หนึ่งก็ร้องไห้อก็มีคนถามว่าท่านร้องไห้ทําไมอ่าท่านหัวเราะทาไมท่านก็บอกว่า ที่ท่านหัวหัวเราะนั้นเพราะว่าอาต่อไปนี้ในโลกนี้จะมีบุคคล ว, วิเศษเกิดขึ้นแล้วอว่างั้นเถอะเพราะได้ดูตามลักษณะแล้วว่าอาเป็นบุคคล ว, วิเศษนะไม่ใช่คนธรรมดาเป็นบุคคล ว, วิเศษมาเกิดตั้งแล้วมาประสูติแล้วแต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินว่าตัวเองนั้นจะอยู่ไม่ทันผู้วิเศษนี้จะไม่ได้รับฟังธรรม หรือไม่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของผู้วิเศษอันนี้เพราะตัวเองนั้นแก่แล้วจะต้องตายเสียก่อนนี่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อประสูติได้สามวันพอประสูติได้ห้าวันก็มีการได้ภูนิมนพวกครามณ์ร้อยแปดมาฉันพัฒาหารที่พระราชมนเทียนพร้อมกับขนานตระนามว่าสิทธะราชกุมารคาว่าสิทธะก็หมายถึงว่าปารธนาอะไรก็สำเร็จทุกอย่าง นะรู้ทุกอย่างอนะนี่จึงได้ขนานนามเมื่อประสูตรได้ห้าวันเมื่อประสูตรได้เจ็ดวันอ่าวพุทธมารดาพูดง่ายว่าแม่ว่างั้นเถ อ, อะอแม่ก็ถึงการปิ้นประชนหรือสวรรคตนกะสวรรคตอ่าเมื่อประสูตรได้เจ็ดปีนะอพอประสูตรได้เจ็ดปีก็ได้ไปศึกษายังสำนักอของ อ, อาจารย์วิศวะมิตร มิตสว่างมิตรนี่ไปศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เมื่อประสูตไนะิได้สิบหกปีนะได้สิบหกปีก็มีการอภิเษกสมรสอภิเษกสมรสกับพระนางเยโสธราหรือพระนางพินพาพระนางพิมพาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการได้สร้างประสาทสามฤดูให้อีกฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝน นี่พอมีประชนอายุได้ยี่สิบเก้าปีนะยี่สิบเก้าปีตอนนี้ก็คิดจะออกขนวดพูดง่ายว่าออกบวชอ อ, ออกบวชแล้วก็ตอนนี้ก็พระราหุลกุมารก็ประสูติด้วยนะในวันที่หนีออกบวชนั้นพระราหุลกุมารก็ประสูติด้วยฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ออกผนวดแล้วก็ได้ทำความเพียรอยู่ถึงหกปี นะทําความเพี่ยนอยู่ถึงหกปีก็จึงได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละจึงไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นเจ้าชายสิทธัต ถ, ถากับพระพุทธเจ้านี้อถ้าพูดกันแล้วก็เป็นคนละคนนะคําว่าเจ้าชายสิทต ถ, ถานี้หมายถึงว่าพูดโดยโดยรูปร่างพูดโดยสังขารแต่คําว่าพระพุทธเจ้านี้เราพูดโดยนามมธรรม เจ้าชายทิฏฐะนั้นเป็นรูปธรรมแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรม ท, ที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านได้ตรัสรูอริยศัจสี่นะท่านได้ตรัสรุอริยศัจสี่ฉะนั้นการที่เรามาบูชาพระรัตนตรัยนั้นหรือบูชาพุทธรัตนะก็คือบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นถ้าโดยพิสดานก็มีเจ้าเจ้า ถ้าโดยย่อก็มีสามที่เราสวดบทพุทธคุณว่าอิติปิโสปะกวาอระหังสัมมาสมัมพุทโธนั่นแหละคื อ, อคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของทุทุตะเจ้าแต่ว่ า, าเรานั้นบางคนไม่รู้เรื่องอาตมาได้เคยถามนักเรียนว่ า, าพุทธคุณว่าอะไรนักเรียนตอบไม่ได้นี่แสดงว่า ไม่ได้สนใจโดยท่องแท้ไม่ได้ศึกษาโดยท่องแท้จึงไม่รู้ว่าอะไรคือพุทธคุณอะไรคือธรรมคุณอะไรคือสัมกคุณฉะนั้นอพระธรรมตรายนี้โดยเฉพาะในข้อแรกพุทธคุณก็คือว่าอิติปิโสภควานะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตรปุริสธรรมสารสัสถาเทวนุสานาันงพุทโภภควานี่คือบทพุทธคุณนะ ทีนี้ก็เมื่อเราทราบว่าอย่างนี้แหละคือพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้อบรมสั่งสอนพุทธบริษัทคือพวกพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาโคดมหลวงก็คือว่าสั่งสอนชาวโลกบอกทางดีชี้ทางชั่วให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งให้พวกสาวกหรือพุทธบริษัทนั้นได้บรรลุมรรคผล น, นิพพานก็นับไม่ถ้วน ส่วนที่ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็มากและที่พระพุทธองค์โปรดไม่ได้ก็มีมากอีกเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของคนเราที่เกิดมาย่อมมีอุปนิสัยแตกต่างกันไปท่านจึงเปรียบว่าคนในโลกนี้เหมือนกับบัวสี่เหล่าเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวประเภทแรกเรียกว่าอุคติกันยูบัวประเภทนี้ก็คือว่า บัวที่กําลังอเป็มน้ํากําลังที่จะพ้นจากน้ําบัวประเภทนี้ก็เหมือนกับบุคคลนะพอพูดอหัวข้อทำนิดหน่อยแค่นั้นก็สามารถที่จะรู้ที่จะเข้าใจฉะนั้นอคนบางคนเหมือนกันพอพูดหัวข้อแค่นั้นแล้รู้เข้าใจความหมายได้ดีนี่นี่เปรียบเหมือนบัวประเภทแรกประเภทที่สอง ก็หมายถึงว่าบัวที่กําลังจะพ้นน้ําในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลที่อพอแนะนําคําสอนชี้แจงเหตุผลอถาธิบายกันพอสมควรแล้วก็พอจะรู้เข้าใจความหมายทุกสิ่งทุกอย่างได้ออันนี้เปรียบเหมือนกับบัวที่จะอาบานในวันพรุ่งนี้หรือในวันมะรืนนี้นี่ประเภทที่สามประเภทที่สองนั้นเรียกวิวปปิกัรโย ประเภทที่สามเรียกวเนยยะคือเป็นบุคคลที่พอแนะนําได้อันนี้จะต้องอบรมสั่งสอนกันมากนะจะต้องอบรมสั่งสอนกันมากสอ่งสอนกันจนเดือนสั่งสอนกันจนปีสอนแล้วแล้วเล่าเล่าถ้าพูดก็คือเหมือนกับพวกเราอย่างนี้แหละพวกเราเนี่ยต้องอบรมสั่งสอนกันมากหลายปีกว่าจะเรียนกันสาเร็จถึงวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนี่แหมเป็นสิบสิบปีนะเป็นสิบสิบปีเนี่ยต้องสั่งสอนกันมาอออนกมาอย่างนี้เรียกว่า เหมือนกับบัวประเภทที่สามแต่บัวประเภทที่สี่นั้นเป็นพวกประมะปะทะปะทะประมะเรียกว่าพวกนี้ไปไม่ไหวนะเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำเป็นอาหารของปลาและเต่าอยู่ใต้โคลนตม้มก็เหมือนกับพวกคนผานพวกอันกะผานพวกปุทุชนที่มีกีเลศหนาแ น, น่นซ้ายังก่อ กรรมทำเข็นทำความอันตรายเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาตินี่ที่เราเรียกว่าพวกเป็นภัยต่อสังคมก็ดีพวกอันธพาลก็ดีไอที่เรียกอันธพาลก็ถือหมายถึงว่าผู้มืดผู้บอดผู้ยังอ่อนนะมีจิตใจอ่อนมีสติปัญญาอ่อนอ่ายังมืดถูกอวิชชาความโง่เขลาห่อหุ้มจิตใจไว้ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนี่เป็นประเภทที่เรียกว่าบัวใต้น้ํานะบัวใต้น้ ำ, ะนำฉะนั้น เ่อพระพุทธองค์ได้จัตตรู้เป็นพระสัมมาเจ้าแล้วก็ได้ออกเผยแผ่ธรรมะที่พระองค์ได้จัตตรู้ประการแรกพระพุทธองค์ก็ได้ไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจนกระทั่งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณทั้งหมดไม่พูดโดยรวมๆโดยรว ม, รวมที่แรกนั้นพระัญญาโกนัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนอได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนอเรียกว่าพระอญยะสองเกิดขึ้นแล้ พรนะอิยาสงเกิดขึ้นแล้วมีพยานยามีหลักฐานเลยว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้จัตรูเป็นกสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของมีจริงเป็นของดีจริงผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่ปฏิบัติตามอาจรู้แจ้งเห็นจริงได้อนะฉะนั้นก็มีพระอัญญาโกลทัญญานี่แหละเป็นสักรีเป็นพยายนะและพระพุทธองค์ก็ได้แสดงต่อสายจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นได้สําเร็จมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทั้งหมดนะ พระพุทธองค์ก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่ง45ปีนะอยู่45ปีพระพุทธองค์เห็นว่า ศ, าศาสนาที่พระพุทธองค์ได้เผยแพร่อบรมสั่งสอนมามีความมั่นคงพอสมควรแล้วก็ปะระสิทิ์ผ่านเมื่ออพระองค์อายุได้ถึง80ปีนะ80ปีนี่แหละคือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพียงย่อๆนะเพียงย่อๆฉะนั้น การที่เรามารู้จักพระพุทธเจ้าก็คือรู้จักให้ถูกนะว่าใครคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องรู้รู้ความเป็นพุทธรู้ความเป็นพุทธคือรู้อะไรพระพุทธเจ้าท่านรู้อริยสัจสี่คำว่าอริยสัจสีก็คือความจริงอันประเสริฐหรือความจริงของพระอริยเจ้าหรือความจริงที่ปราจะจากข่าศึกคือกิเลสตัณหานี่แปลได้หลายอย่างนะ ได้หลายอย่างฉะนั้นอะไรคื อ, อยะจัตติ 4? ก็คือทุกหนึ่งทุกอคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกได้แก่ตัวตัณหาอตัวตัณหาสามหนึ่งกรรมตัณหาสองกรมหนึ่งกรรมตัณหาได้แก่ความทยานอยากในกรรมสองภาวะตัณหา ก, ก็คือความอยากมีอยากเป็น อยากมีโน่นอยากเป็นนี่สามวิภวะตัณหาความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่แต่ถ้าพูดอย่างไทยๆก็คือว่าไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่แต่ถ้าพูดตามหลักบาลีแล้วก็ต้องพูดว่าความอยากไม่เป็นโน่นไม่เป็นนี่นี่เป็นเหตุให้เกิเกดทุกข์เรียกว่าสมุทยัยข้อที่สามนิโรธคือความดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือดับกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงโดยไม่เหลือข้อที่สี่ก็คือมรร หรือมักมีองแปดนั่นแหละคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือดับกิเลสตัณหานั่นเองนี่แหละทั้งสองอย่างนี้ที่พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องรู้รู้หลักของความเป็นพุทธก็คือต้องรู้อะไรก็รู้ทุกข์ไอ้รู้ทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ขั้นอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างน้อยก็คือรู้ปัญหาไอ้ปัญหานี่แหละคือทุกข์ เราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนจะมีปัญหากันทั้งนั้นนะต่างแต่ว่ามันจะน้อยหรือมากหรือขึ้นอยู่กับสมดุลฐานของปัญหานั้นเกิดมาด้วยเหตุอะไรทุกวันนี้เราทุกเดือดร้อนกันเพราะน้ําท่วมใช่ไหมอ่าน้ําท่วมหรือบางคนก็ทุกเดือดร้อนเพราะไม่มีข้าวจะกินบางคนก็ทุกเดือดร้อนเกี่ยวกับอเรื่องเศรษฐกิจไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวอ่าบางคนก็ทุกเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบางคนก็ทุกเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเพศตรงกันข้าม ไอ้ก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นปัญหาแั้นปัญหานี่แหละคือทุกข์เมื่อเรารู้จักปัญหาเราก็ต้องรู้เหตุให้เกิดปัญหาไอ้การรู้เหตุให้เกิดปัญหาก็คือรู้เหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองอะอะไรมันเป็นเหตุให้ปัญหาเราเกิดเมื่อเรารู้เหตุปัญหาเกิดเราก็จะได้แก้ได้ถูกแต่ทุกวันนี้เราแก้ปัญหากันไม่ได้เราแก้ปัญหากันไม่ถูกอเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหา และเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหานี่เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็จับต้นทนปลายไม่ถูกเมื่อจับต้นทนปลายไม่ถูกเราก็ยิ่งเดือดร้อนยิ่งกระวนกระวายคนที่สุดเป็นยังไงขอประทานโทษบางคนก็ถึงกับว่าเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทโรคบ้ากันไปเลย อ, อย่างนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเพราะเราไม่รู้จับปัญหาไม่รู้จับเหตุให้เกิดปัญหาอาการที่สาม เราต้องรู้จักวิถีทางที่จะแก้ปัญหาอต้องรู้จักว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้น่ต้องหาทางดับปัญหาได้ทุกเรื่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุแล้วมันก็จะต้องดับไปด้วยเหตุอันนั้นอีกเหมือนกันนี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เป็นหลักฐานไว้เลยว่าอ่าเป็นเครื่องรับรองชี้ชัดเลยเลยว่าเยธรรมมาเหตุตุปภวา เตสังเหตุจงตถาคาโตเตสันจะโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสมโนขูดอย่างย่อยๆที่สุดก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เหตุสิ่งนั้นก็ย่อมดับลงด้วยเหตุอันนั้นนี่เกิดขึ้นมาจากเหตุก็ต้องดับลงด้วยเหตุอันนั้นฉะนั้นเมื่อปัญหามันมันเกิดขึ้นได้นะมันก็ต้องดับได้นี่เราต้องรู้ประการที่สี่เราต้องรู้เหตุที่จะให้ถึงความดับปัญหาอันนั้น รู้ทางดับปัญหาอันนั้นรู้ทางแก้ปัญหาอันนั้นอย่างนี้แหละเราจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธเต็มตัวนะเป็นแต่เพียงร่างกายแต่จิตใจของเราไม่ได้เป็นเลยแล้วมันจะมีความหมายอะไรนะไม่มีความหมายอะไรเลยฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนตรงมาเข้าใจของความเป็นพุทธให้ถูกต้องนะความเป็นพุทธให้ถูกต้องอย่าง น, น้อยก็คือว่ารู้หลักของความเป็นพุทธ นะรู้หลักของความเป็นพุทธถึงว่าเราจะไม่รู้อริยสัจสีในขั้นสูงเราก็มารู้อริยสัจสีในขั้นปัญหาธรรมดาของชาวบ้านอก็คือทุกข์ของชาวบ้านก็คือตัวปัญหาเมื่อเราทุกคนเมื่อมีทุกข์แล้วเราก็ต้องรู้จักเหตุที่จะให้เกิด <Bem. S 1> ทุกข์นนอ น, นั้นว่า <món. S 2> มันเกิ ด, ดมาจากอะไรอ่าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นมันเกิดได้มันจะต้องหมดไปได้เราก็ต้องรู้วิธีการที่จะให้ทุกขออ์อ น, นั้นหมดไป เอาละเพียงเรารู้แค่นี้ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องแล้วเป็นชาวพุทธด้วย จ, จิตใจเป็นชาวพุทธด้วยกายวาจาใจอย่างนี้ใช้ไั้นนะอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธกันถูกต้องแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ได้ตรัสรูอ้อริยสัจสี่นะแล้วก็สั่งสอนอพวกประชาชนสั่งสอนพวกชาวโลกให้รู้ดีรู้ชอบตามธรรมในที่พระองค์ได้ตรัสรู้อันนั้น ประเภทนี้เราชื่อว่าพระพุทธทีนี้ก็มาพระธรรมพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันมีความหมายสองอย่างคําสั่งกับคําสอนคําสั่งนี่หมายถึงพระวินัยคําสอนหมายถึงพระธรรมพระวินัยก็ได้แก่ศีลศีลก็คือพระวินัยวินัยก็คือศีล เป็นระเบียบเป็นข้อบังคับอ่าเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับคือคือบางอย่างเขินทาไปก็ผิดบางอย่างไม่ทำก็ผิดนี่เป็นพระวินยัยแต่พระธรรมนั้นใครจะทำหรือไม่ทำไม่ได้มีข้อบังคับใครประพฤติก็ดีใครไม่ประพฤติก็ไม่ดีอ่านี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นะคำสั่งสอนของคำสั่งก็คือพระวินัยได้แก่ศีลศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรื่สังคมเราที่มีระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นสังคมที่มีศีลมีคุณธรรมอะไรที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละมีระเบียบมีวินยัยในบ้านช่องห้องหอทุกสิ่งทุกอย่างที่มีระเบียบวินยัยมีความสะอาดสะอาดจัดสิ่งของไว้วางเป็นที่เป็นทิศ เ, เ, เป็นทาง นั่นแหละคือคนที่มีระเบียบมีวิ all, นัยอยู่ในใจก็คือคนที่มีศีลอยู่ในใจพวกทหารพวกกองทัพต่างๆนั้นจะต้องมีระเบียบวินัยถ้าทหารไม่มีระเบียบวินัยแน่นอนที่สุดก็จะเป็นทหารที่ดีไม่ได้และประเทศนั้นก็ไม่สามารถที่ว่าจะปกป้องคุ้มครองประเทศของตนได้เพราะทหารไม่มีวินัยแต่ประเทศชาตใดที่มีทหารที่มีระเบียบวินัยมีความมั่นคงประเทศนั้นก็จะปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ะ ฉะนั้นอวิไนก็คือศีลนะศีลนี้ก็ยังแยกออกไปอีกเป็นศีลห้าเรียกว่านิจศีลก็คือศีลห้าเป็นศีลของคนทั่วไปควรจะมีไว้ในใจอสองเรียกว่ามัชชิมัชศีลคือศีลอย่างกลางศีลอย่างกลางก็ได้แก่ศีลแปดศีลแปดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุโบสถศีลเป็นศีลของอุบาสกบาสิกาที่มานับถือ ที่อยู่ในอุโบสถบางที่ก็ค้างคืนบางที่ก็ไม่ได้ค้างคืนอ่าอย่างนี้เรียกว่าอุโบสถสิ่งแล้วก็มีศี่งสิทเป็นศีลของสัมมณีศีลอย่างนี้เรียกว่ า, ยานะอย่างกลางนะอย่างกลางแล้วก็มีศิ่สองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นศีลของพระพิสุแล้วก็ศีลงสามร้อยสิบเอ็ดเป็นศีลของพิษุณีแต่ตอนนี้พิษุณีก็หมดไปแล้วนะหมดไปแล้วอืมนี่เป็นเรื่องของสิ่งฉะนั้นส่วน พระธรรมพระธรรมก็คือเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติข้อประพฤติข้อปฏิบัติก็มีตั้งแต่ในเบื้องต้นอ่ทาท่ามกลางแล้วก็ขั้นสูงอย่างที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนกันทุกวันเนี้ยอย่างเช่นาญาติโยมมีศรัทธาอาใส่บ า, าตรพระตอนเช้าเช้านี่ก็ชื่อว่าโยมได้ประพฤติธรรมให้ทานนี่ก็ถือว่าประพฤติธรรมนี่หรือว่าโยม อมีการช่วยเหลือเกอ้อโกนซึ่งกันและกัน อ, อย่างนี้ก็ชื่อว่าประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติ ธ, ธรรมทั้งนั้นยอมมีศรัทธายอมมีระยะมีความเพียรยอมมีสติคือความระลึกได้ยอมมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นยอมมีปัญญาในการรำมาหกินอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าโยมนั้นมีธรรมและอย่างนี้ได้ชื่อว่าโยมประพฤติ ธ, ธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระธรรมนี้ก็ยังแบ่งออกไปอีกอเป็นขั้นเป็นตอนอ พระธรรมนี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันคือหนึ่งปริยัติธรรมคําว่าปริยัติธรรมก็หมายถึงว่าการศึกษาเล่าเรียนท่องบทตหลับตําราต่างๆอย่างเช่นที่พระสงฆ์องค์เลนได้เรียนกันตั้งแต่นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกหาปริเรียนหนึ่งสองปริเรียนสามปริเรียนสี่ปริเรียนห้าปริเรียนหกปริเรียนเจ็ดปริเรียนแปปริเรียนเก้านี่ถือว่าเป็นปริยัติธรรมหรือว่า เรียนจบพระไตรปิฎกก็ได้ชื่อว่าเป็นพระประยะิยัติธรรมแต่ว่าญาติโยมของเราบางคนก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือประยะิยัติธรรมคําว่าประยะิยัติธรรมนี่หมายถึงว่าการศึกษาเล่าเรียนนะการศึกษาเล่าเรียนอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นฉะนั้นที่จะมาได้บรรยายธรรมในวันนี้ก็บรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรี นะของนักธรรมชั้นตรีฉะนั้นประโยชนธรรมนี่แหละก็มีคุณค่ามีความหมายต่อพวกเราทุกคนคนเราถ้าเกิดมาแล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนบวชแล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ฉะนั้นการที่เราได้เล่าเรียนศึกษาธรรมนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นคนไม่มีธรรมะอยู่ในใจแน่นอนที่สุดจะเป็นคนที่เกิดมาก็เหมือนกับเสียชาติเกิด หรือเขาจะเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นโมคฆะคือเป็นบุคคลผู้เปล่าไม่มีคุณงามความดีอะไรไม่มีสาระประโยชน์อะไรออย่างนี้เกิดมาเพสัตว์แต่ว่าหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองสังคมประเทศชาติอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดีก็ยังอยู่ในประเภทหลักปริยัติธรรมประเภทที่สอง ปฏิบัติธรรมหรือพูดสั้นๆภาษาชาวบ้านก็คือปฏิบัติธรรมคาว่าปฏิบัติธรรมก็คือว่าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาตามที่เราได้ศึกษาเราเรียนมานะตามที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาคือเอานํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวันนะว่าเราทําอะไรจะต้องมีระเบียบต้องมีวินยัยนะการที่เราทําอะไรมีระเบียบมีวินัยดูแล้วมันงามเขาบอกว่า หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีระเบียบมันก็เกะกะหยิบก็ยากนะอะไรมันหายไปก็ไม่รู้เพราะมันยุ่งยิ่งไปหมดเลยดูแล้วมันก็ไม่สวยไม่งามอ่าฉะนั้นของอะไรถ้าหากว่าคนมีวินัยคนมีศีลแล้วทำอะไรมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานะใครมาเห็นก็งามตาเห็นแล้วก็หน้าเข่ารบเห็นแล้วก็น่าเรื่มใสบางครั้งท่านผู้ฟังลองคิดดู เราไปบ้านใครถ้าเห็นว่าเขาจัดบ้านนั้นมีระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดสะอานสวนดอกไม้สนามหญ้าดูแล้วก็อยู่เป็นทิศเป็นทางเหมาะสมดูแล้วมันก็สบายตานะน่านั่งน่านอนอ่น่าทัศนาอ่ดูแล้วมันสบายไปทุกสิง่งทุกอย่างหรือเราไปไหว้พระกราบพระที่วัดอารามใดถ้าหากว่าที่วัดนั้น ะสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยอตั้งแต่เครื่องตั้งบูชาก็มีสะอาดสะอ้านแล้วก็ตั้งอยู่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกทิศถูกทางมันก็น่ากราบน่าไหวน่าเลื่อมใสแล้วก็อยากไปปฏิบัติธรรมที่นั่นแสดงว่าคนในนั้นพระที่อยู่ในนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีศีลมีธรร ม, ม, รรม อ, อย่างนี้ใช้ได้ แต่บางวัดขอประทานโทษเถอะเราไปนี่แม้ตกกระตกลกงรังแล้วก็นนะที่บูชาพระก็ไม่มีไอ้เครื่องอที่ตั้งทูกเทียนก็ไปเอาบาตมาแทนบ้างที่ตั้งเทียนก็ไปเอากระป๋องมาตั้งบ้างอาขอประทานโทษเถอะบางครั้งอที่กราบพระนั้นกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นรังไก่นะดูแล้วก็ไม่เกิดจต่าไม่เกิดความ เ, าเลื่อมใสขึ้นนะไม่น่ากราบไม่น่าไว้ ฉะนั้นอันนี้แหละเพราะอะไรเพราะเราขาดคนมีปัญญานั่นเองอะฉะนั้นเมื่อเมื่อเรามีศีลเราก็มีสมาธิศีลเป็นบอ่อเกิดแห่งสมาธิทำให้คนมีจิตใจเป็นสมาธิได้เร็วสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีจิตใจแน่วแน่มีจิตใจมั่นคงมีจิตใจสุขุมรอบคอบเมื่อคนเรามีจิตใจเป็นสมาธิมีความสุขุมรอบคอบปัญญาก็เกิด นะปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วสามารถที่จะตัดไอความมืดที่มันติดอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ก็ให้รู้ได้อ่านี่เป็นลักษณะของปัญญาปัญญามีลักษณะส่องสว่างเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างไปที่ใดไอความมืดก็จะหายไปจากที่นั้นอนะ่าปัญญาเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ ไล่ไอความมืดคือตัวไม่รู้ตัวโมหะตัวอวิชชาให้หมดไปให้หายไปอ่าฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมก็คือว่าปฏิบัติตามศีลปฏิบัติตามสมาธิปฏิบัติตามปัญญาแล้วมาในข้อที่สามก็คือปฏิเวทปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมอ่าก็หมายถึงว่าการรู้แจ้งแทงตลอดอันเกิดจากการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานั้นอ การรู้แจ้งแทงตลอดก็คือว่ารู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนนี่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรู้อย่างนี้แลเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่า รู้ตามสภาวะความเป็นจริงของสังขารนี่เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารก็คือไม่ถือมั่นในขันห่านนั่นเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปอรูปละขันไม่ถือยึดมั่นถือมั่นในเวทนาขันไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาขันไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารขันไม่ยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณขันนี่เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแน่นอนที่สุดเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริง ก็เท่ากับว่าเราได้มรรคได้ผลได้นิพพานนี่แหละคือเรียกว่าปัตติเวสธรรมถึงเราจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ได้เป็นลําดับลบําดับไปมัรคสี่ผลสี่มรร ก, ก็คือตั้งแต่โสดาปฏิมรรคสกิท า, า, าคามิมรรคอานาคามิมรรคอรหัตมรรคผลสี่ก็ได้แก่โซดาปฏิผลสกิทาคามิผลอานาคามิผลอรหัตผลนี่แล้วก็นิพพานหนึ่ง รวมแล้วก็เป็นโลกุตร 9, นะธรรมเก้าเป็นโลกุตร 9, นะธรรมเก้านี่ก็คือว่าแบ่งพระธรรมออกไปอีกเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนทีนี้พระธรรมนี่แหละถ้าหาผู้ใดได้ไดนำไปประพฤติได้นำไปปฏิบัติก็จะทำให้ปุณ้นเกิดความสงบสุขเกิดความร่มเย็นนะฉะนั้นคำว่าตัวพระธรรมนี้จึงมีความหมายได้หลายๆอย่าง แตกต่างกันไปความหมายอันแรกคําว่าพระธรรมก็หมายถึงว่าธรรมชาตินะธรรมชาติพระธรรมก็คือกฎของธรรมชาติพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คื อ, อข้อปฏิบัตินี่คือแปลได้หลายอย่างที่บอกว่าเป็นธรรมชาติก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตัวเราและออกห่างจากตัวเราไปทั้งหมดนี่เป็นพระธรรมทางนั้นเลยนี่ขอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจ อันนี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่าพระธรรมนั้นคืออะไรทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวเราไปเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานี่เป็นพระธรรมทั้งนั้นนะเป็นพระธรรมทั้งนั้นเลยถ้าอาจจะบอกท่านบอกว่าหรือว่าท่านอาจจะถามบอกว่าอตัวเราก็เป็นพระธรรมแล้วหนังสือเป็นพระธรรมไหมเป็นธรรมบ้านเรือนเป็นพระธรรมไหมเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเลยอทื่ว่าเป็นธรรมเป็นยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็แตกสลายไปต้นหมากรากไม้ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติแล้วพระธรรมนี่นะก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจไปด้วยว่าพระธรรมเนี่ยมันมีอยู่คู่โลกอยู่แล้วนะ ก, ก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมนี่เกิดก่อนพระพุทธเจ้ามีอยู่คู่โลกนะแต่ว่าพระพุทธองค์ได้ไปค้นพบ แล้วก็นำเอามาชี้เอามาแจกแจงพวกเราให้รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมายดีเรียกว่ากุศลธรรมอันนี้เป็นธรรมายชั่วเรียกว่าอากุศลธรรมอันนี้เป็นธรรมกลางๆางเรียกว่าอัพยากตธรรมนี่พระองค์เป็นผู้มาบอกถ้าจะเปรียบเหมือนก็เปรียบเหมือนกับไฟฟ้าไฟฟ้าที่เราเอามาใช้ในบ้านหรือใช้ตามโรงงานต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ก่อนมีอยู่คู่โลกนะมีอยู่คู่โลกคือเป็นธรรมเหมือนกันนะ เพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เพราะมีคนมีปัญญาไปค้นพบเข้าอย่างเช่นเบนจามินแฟรงกินท่านได้ค้นพบว่าในอากาศนั้นมีไฟฟ้าแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้กันต่างๆนาน า, นานาทุกวันนี้อย่างพวกอทอม อ, อย่างเช่นว่าโทมัสอันวาดิสันเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นนักผลิตเครื่องไฟฟ้าที่เก่งกามากไมเคิลฟาราเดยอ์อีกลหลายๆคน อ, อย่างนี้แหละค็ับทว่ามันมีอยู่ก่อนนะมันมีอยู่คู่โลกแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครรู้ใครทราบก็อาศัยพวกนักตราพวกนี้แหละไปค้ น, คนพบเข้าก็จึงได้นาเอามาบอกพวกเราฉะนั้นพวกเราจึงได้มีการตรับรุงวิทยาการต่างๆเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้ก็อาศัยผู้มีปัญญาสมัยก่อนได้คิดคนไว้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอนะ่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมะทางนั้นฝ่ายดีเรียกว่ากุศลธรรมฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลธรรมไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอัพยากรตะธรรมคือเป็นกลางกลางฝ่ายดีคืออะไรเช่นญาติโยมให้ทานรักษาศินเจริญภาวนานี่อย่างนี้เป็นกุศลธรรมความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมไม่ดีไอ้ส่วนที่มาเป็นกลางๆงก็อย่างเช่นธาตุสี่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่มันอยู่กลางๆลางมันไม่ดีไม่ชั่วะมันอยู่กันตรงว่ามันไว้อย่างนั้น เนี่ยมันเป็นกลางๆนี่แหละมันเป็นธรรมชาติทีนี้ที่มันเป็นกฎของธรรมชาติก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายต้องตายเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งและจากอีกสภาวะหนึ่งก็เสื่อมสิ้นไปอ่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นกฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่สิ่งมีชีวิตก็เป็นเหมือนกันหมด นะเป็นทำเหมือนกันหมดนะนี่เป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระเจ้านั้นอันนี้ก็รู้กันโดยทั่วไปไม่ต้องพูดกราพูดกันมามากแล้วแล้วในข้อสุดท้ายที่บอกว่าพระธรรมก็คือข้อปฏิบัตินะคือข้อปฏิบัติพระธรรมถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะเป็นพระธรรมไม่ได้ดงนั้นเราต้องนํามาประพฤติปฏิบัติอ่านะเราจรึงจะรู้นะ พราะพระธรรมนั้นเป็นเครื่องยกระดับจิตใจของคนเรานะของคนเราคนมีธรรมะคือคนดีจึงบอกว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุงฆนะ์แล้วคนที่ประพฤติธรรมนั้นย่อมไม่ไปสู่ทุกขติคนที่ปฏิบัติธรรมย่อมไปสู่สุขตินี่ฉะนั้นเราก็ควรประพฤติธรรมกัน การประพฤติธรรมในขั้นต้นก็เช่นท า, านไมบุญสําเร็จด้วยการให้ทานศีลไม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนานี่ก็เท่ากับว่าเราประพฤติธรรมฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในเมื่อเราทุกคนที่เกิดมาแล้วเราก็ควรจะยกระดับจิตใจของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์ของเราให้สูงขึ้น ยานยานนึกภูมิใจว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่ถ้าเราไม่ประพฤติทําไม่ปฏิบัติทำแล้วโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็ยากนะมันก็ยากอาจจะไปเกิดในอบายภูมิอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอาจจะไปเกิดเป็นนรกอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอสุรกายได้นะไปเกิดได้ฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้ว่า คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อตายไปแล้วนั้นจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเทียบง่ายๆ เ, เกิดมนุษย์อีกนั้นเหมือนกับเขาโคแต่มนุษย์ผู้หญิงผู้ชายที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในอบายภูมินั้นเหมือนกับขนของโคเห็นไหมท่านผู้ฟังลองคิดดูโคตัวหนึ่งเนี่ยมันมีสองเขามีขนเท่าไรนับไม่ถ้วน คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหมือนกับเขาโคมีเพียงแค่สองเขาแต่คนที่ตายไปแล้วจะไปเกิดในอบายภูมินั้นเหมือนกับขนแห่งโคมันมากมายเหลือเกินแสดงว่าคนเราเนี่ยทาชั่วมากกว่าทําดีจึงต้องไปเกิดในอบายภูมิมากกว่าถ้าพูดเป็นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆก็เหมือนว่าร้อยละสองคนพูดง่ายๆอ่าตายไปร้อยคนมาเกิดเป็นมนุษย์สองคนนี่ อีกเก้าสิบแปดคนนั้นไปเกิดในอบายภูมิไปเกิดในทุกขสิิเช็นนั้นนี่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอ่าจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากอ่าฉะนั้นถ้าหากว่ามันง่ายหมดอ่าบ้านเมืองก็คงจะต้องไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีคุกไม่มีตารางนะอ่าจะว่ายากทั้งหมดฉะนั้นคนเราก็วัดวาอารามก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคงจะไม่เกิดขึ้นคนเราก็คงจะมีแต่การเบียดเบียนประหัตประหารกันฉะนั้น มนุษย์มันก็มีทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วขอให้เราคิดไว้อย่างนั้นนี่ก็เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคือข้อปฏิบัติที่เราทุกคนเกิดมาก็ควรปะพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะตามสมควรแก่วัยของเราเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้และคนที่ปฏิบัติตามธรรมแล้วย่อมไม่ไปสู่ทุกติอย่อมไม่ไปสู่อบายภู จะมีแต่ความสุขความเจริญและไปสู่สุกติมีโลกสวรรค์เป็นเบื้องหน้านี่เป็นความหมายของพระธรรมที่นี่พระตัตนตรในข้อที่สามสังครตัตนรัตนะคือพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายเรายังเข้าใจกันน้อยมากนะคำว่าพระสงฆ์คำว่าสงฆ์เนี่ยถ้าแปลนันะครับแปลว่าโม่แปลว่าโม่นะ ไอ้คำว่ามู่นี่หมายถึงว่าหมู่หรือกองหรือกลุ่มหรือพวกหรือฝงเน่ยคือของหลายอย่างว่าไงเถอะเอามารวมกันเป็นกองเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นฝงอะไรอย่างนี้เป็นพวกเป็นฝูงบางทีศัพท์นี้ก็ยังไปใช้กับนกก็มีเช่นบอกว่าสกุณะสังโคฝูงแห่งนกเนี่ยเอาไปใช้ได้อตัวฝูงแห่งนกอันนี้มีในหลักอบาลีได้หนีไว้ว่าสกุณะสังโคพวกฝงแห่งนกอ่า ภิกขุสังโฆก็บอกหมู่สงฆ์หมู่ภิกษุหมู่พวกภิกษุทะนั้นคําว่าสงฆ์นี่แปลว่าหมู่แล้วคําว่าสงฆ์นี่นะเราที่เราทราบกันก็คือว่าเข้าใจว่าสงฆ์นี่ก็คือผู้ที่บวชเป็นพระต้องโคนหัวต้องห่มผ้าเลย อ, อันนี้เรารู้แค่แต่นะรู้แค่แต่ถ้าท่านผู้ฟังจับใจความที่อาจามาได้พูดไว้ตอนต้นเลยว่าพระรัตน ทั้งสามนั้นลักษณะที่บอกว่าสังค ร, รัตษณะนั้นหมายถึงมูชนที่ฟังคําสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยชื่อว่าพระสงเห็นไหมขวาท่านฟังอีกเที่ยวหนึ่งว่ามูชนที่ฟังคําสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยชื่อว่าพระสงฆ์ท่านบอกว่ามูชนเห็นไหมใครก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอน ตามพระธรรมตามพระวินยัยนั่นแหละชื่อว่าพระสงฆ์นะก็หมายถึงว่ามูอันประเสริฐคําว่าพระสงฆ์ก็คือมู่อันประเสิฐอ่ามูอันประเสริฐนี่แต่ว่าเราเข้าใจกันแคบไปหรือเขายังคําว่าพิคุเนี่ยพิกษุเนี่ยพิกขุหรือพิกษุเนี่ยนะเขาแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารคนใดเห็นภัยในวัฏสงสารคนนั้นเป็นพิกขุคนนั้นเป็นภิกษุนี่ขอให้ท่านเข้าใจ ก็แสดงว่าผู้หญิงผู้ชายก็เห็นภัยได้ได้อันนี้เห็นได้นะฉะนั้นจึงได้บอกว่าคําว่าพิสุนี้หมายถึงว่าผู้เห็นภัยในวัตสงสารแต่พวกเรามาเรียกเอาแต่แคบไปว่าพิกษุหรือสองนี้หมายถึงว่าผู้ที่อโกนหัวโกนคิ้วลงหนวดนุ่งเหลืองผมเหลืองอะไรอย่างนี้หรือสีกลับไปก็จะแสวแว่าอย่างนี้คือพิกษุพิษงอย่างนี้คือพวก พระพิสุอย่างนี้คือพระสงฆ์อันนี้แค่ไปขอให้ท่านได้เข้าใจด้วยและคําว่าคําว่าสงตามเทวินะัยนะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นั้นก็ยังแยกออกไปอีกอันนี้ขอให้ท่านได้รับรู้รับทราบไว้พระตั้งแต่พระองค์เดียวไม่เรียกว่าสงอนะเรียกว่าบุคคลถ้าสองสามองค์เรียกว่าหมู่คณะแต่ถ้าสี่องค์ขึ้นไปเรียกว่าสงนี่เรียกว่าสงอนะก็บอกแล้วว่าสงแต่ว่าหมู่ ถ้าสี่องค์ขึ้นไปนี่เรียกว่าสงถ้าสองถึงสามนี่เรียกว่าหมู่คณะถ้าองค์เดียวเรียกว่าบุคคลนี่ตามตามพคำวินยัยฉะนั้นการทําสังฆกรรมต่างๆนี่เจ่นมีการบวชพระก็ดีรับกระถินก็ดียอย่างเงี้ยจะต้องพระตั้งแต่ห้าโรคขึ้นไปหรือสี่โรคขึ้นไปจึงจะทําสังฆกรรมได้จึงจะบวชพระได้อ่าจึงจะรับกระถินได้นี่ขอให้ท่านทราบไปด้วยฉะนั้นอ่าที่บอกว่าพระสงฆ์ก็คือโมชนที่ฟังคําสั่งสอนของท่านแล้ว ตามพระธรรมวินัยแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติตามโดยถูกต้องนั่นแหละคือพระสงฆ์ฉะนั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้เราก็ว่าเป็นพระสงฆ์สามเณรก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มหนึ่งของหมู่ชนนั้นอที่ได้เลกออกจากหมู่ของชาวบ้านมาประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามคําสั่งสอนของพระสัมมาเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แน่นอนที่สุดผู้ปฏิบัติดีก็ย่อมจะประสบแต่ความสุขความสวัสดีผู้ปฏิบัติชั่วก็ย่อมจะได้รับความชั่วฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้เขารพพระธนทรยัยก็จะได้กับเราหลายประการเช่นหนึ่งจะเป็นเครื่องแสดงว่าตนนั้นเป็นชาวพุทธสองก็จะทจําจิตใจของเราให้สงบสามก็จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวแลนะเป็นที่ตึ่งทางใจสี่ก็จะเป็นบอกเกิดแห่งคุณงามความดีห้าก็ทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองหก จะทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลเ็ 7. เราจะได้แบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและแดจะทำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจจนถึงที่สุดอาจจะได้มรรคผลได้นิปทานก็ตามแต่ที่เราประพฤติปฏิบัติมากน้อยแค่ไรฉะนั้นอาตมาได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องลัษนะสามประการมาก็เห็นถ้าจะพอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร